อัญเชิญพระวจนะหัวข้อจงกลับใจและสารภาพพระวจนะที่มาถึงเราทั้งหลายปรากฏในพระธรรมโรมบทที่ 7: จ็ข้อสิและพระธรรมหนึ่งยอหนบทที่หนึ่งข้อเความว่าจากพระธรรมโรมบทที่7จ็ดข้อสิาข้าพเจ้าไม่เข้าใจการกระทําของข้าพเจ้าเองเพราะว่า ข้าพเจ้าไม่ทําสิ่งที่ข้าพเจ้าปรารถนาที่จะทําแต่กลับทําสิ่งที่ข้าพเจ้าเกลียดชังนั้นจากพระธรรมหนึ่งย่อนบทที่หนึ่งข้อ9ถ้าเราสารภาพบาปของเราพระองค์ทรงสัต์ซื่อและเที่ยงธรรมก็จะทรงโปรดยกบาปของเราและจะทรงชําระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้นขอพระเจ้าทรงวนพระพร หัวข้อในชาวันนี้คือจงกลับใจใหม่และสารภาพในช่วงที่เราอยู่ในเทศกาลเข้าสู่ธรรมหรือเรียกว่าเลนสนะครับซึ่งเป็นเทศกาลที่เราจะต้องสํารวจตัวเองและเป็นเทศกาลที่เราจะต้องกลับใจใหม่และมีอะไรผิดพลาดบกพร่องเราก็ต้องสารภาพบาปกับพระองค์ขอการอภัยโทษจากพระเจ้าพี่น้องครับหลายท่านบอกว่าคริสเตียนนั้นดีจังเลยเวลาที่มีบาปนั้นก็สามารถที่จะ อธิษฐานแก้บาปหรือสารภาพบาปพระเจ้าแล้วมันก็จะหายไปจริงในด้านหนึ่งครับแต่อีกด้านหนึ่งก็คือว่าเมื่อพระเจ้ายกโทษบาปแล้วนะครับเราอาจจะต้องรับผลของความบาปผลของความบาปนั้นก็คือสิ่งที่สืบเนื่องจากการทําบาปของเราผมอยากจะให้พวกเราได้มีโอกาสที่จะดูงานศิลปะที่เป็นเครื่องปั้นดินเผานะครับเครื่องปั้นดินเผานะครับ ชิ้นนี้เราเรียกว่าเป็นคินสุกิหรือคินสุกินะครับเป็นเทคโนโลยีของคนญี่ปุ่นครับเป็นศินละปะ ก, การซ่อมแซมเครื่องเป้าดินเครื่องปั้นดินเผาโดยใช้ผงทองคำผสมกับเรซินซึ่งเป็นตัวประสานชิ้นส่วนที่แตกของกระเบื้องโบราณที่มีคุณค่าสูงนะครับพี่น้องดูนะครับสวยไหมครับถ้าดูในภาพนะครับในจอมอนเตอร์ทีวีนะฮะ ก็จะพบว่ามันสวยงามมากนะครับนั่นเป็นศินละปะการซ่อมแซมซ่อมแซมเครื่องปั้นดินเผาโดยใช้ผงทองคําสรุปแล้วก็คือว่าเครื่องปั้นดินเผาใหม่นี่นะครับมีคุณค่าสูงมากเลยทีเดียวเป็นการเชื่อมประสานที่แปลกตาและกลายเป็นศินละปะที่เปิดเผยให้เห็นถึงความงามของรอยแตกแทนที่จะพยายามปดปกปิดรอยนั้น พระคัมภีรบอกว่าพระเจ้านั้นได้ทรงให้คุณค่าและพงทรงเห็นคุณค่าของจิตใจหรือวิจัยที่แตกสลายเพราะการสำนึกในความบาปเราจะเห็นว่าตัวอย่างที่พบในพระคัมภีร์คือเมื่อกษัตริย์ดาวิดนั้นได้ทำผิดล่วงประเวณีกับบาดเชบาดาวิดนั้นวางแผนฆ่าสามีของบาดเชบาและผู้เผยพระพชนะนาธานนั้นก็เตือนสติและในที่สุดดาวิดก็ได้สารภาพบาป อธิษฐานกลับใจใหม่กับพระเจ้าหลังจากคาอธิษฐานของท่านเราพบว่าพระเจ้านั้นได้ยกบาปแต่ผลของบาปยังอยู่ครับก็คือลูกชายของท่านคนคนโตเนี่ยนะครับก็ต้องเสียชีวิตลงพี่น้องครับการที่เรามาหาพระเจ้าในทุกๆวันทุกๆวันอาทิตย์ <c oughs> สิ่งที่สำคัญก็คือว่าพระเจ้านั้นไม่ได้ทรงปิดติยินดีในเครื่องเผาบูชานะครับแทน ใจิตใจที่สํานึกผิดในพจ้านัของพระเจ้าสรุปดีบทที่51ข้อที่1 6บหถึงสิได้กล่าวอย่างนี้ครับว่าเพราะพระเจ้าไม่ได้ทรงปิติยินดีในเครื่องเผาบูชาในเครื่องสัตวบูชาถึงข้าพระองคจะถวายเครื่องเผาบูชาพระองค์จะมิได้พอพระทยัยเครื่องเผาบูชาที่พระเจ้าทรงรับได้นั้นก็คือจิตใจที่ชอกชำ้ำจิตใจที่สํานึกผิดและชอกช้ำนั้นพระองค์มิได้ทรงดูถูก นั่นหมายความว่าทุกครั้งที่เราเข้ามาหาพระเจ้าเราจะต้องเข้ามาด้วยจิตใจแห่งการกลับใจใหม่และสารภาพบาปการกลับใจใหม่และสารภาพบาปนั้นเป็นท่าทีที่เรียกว่าเป็นดีเอของคริสเตียนที่ฝังอยู่ในชีวิตของเราเมื่อเราทําบาปให้เรากลับใจใหม่และสารภาพคำถามของผมในเช้าวันนี้ที่มีมาถึงพี่น้องก็คือว่าในเทศกาลแห่งการเข้าสู่ธรรมหรือเทศกาลเลนท์นี่นะครับ ถามว่าพวกเราได้สารภาพบาปอะไรแล้วหรือยังได้เห็นบางสิ่งบางอย่างที่ผิดปกติในชีวิตของเราแล้วหรือยังแล้วสิ่งนั้นจะนําไปถึงการสารภาพบาปในชีวิตของเรามากน้อยแค่ไหนและชีวิตของเรานั้นจะดีขึ้นในเทศกาลเลนที่อย่างไรบ้างพี่น้องครับพระเจ้าจะซ่อมเราครับด้วยการยกโทษพระเจ้าจะจะให้อภัยเราเมื่อเราสารภาพบาปและกลับใจ คำตอบก็คือว่าเมื่อเราทําบาปเร า, เราสา ร, รภาพบาปแล้วหายไหมนะครับในครั้งแรกนั้นก็คือผมได้อธิบายชัดเจนครับว่าการสา ร, รภาพบาปของเรานั้นต้องบวกกับการกลับใจใหม่นะครับสา ร, รภาพบาปอย่างเดียวเนี่ยไม่กลับใจใหม่นะครไม่พอการสา ร, รภาพเราเรียกว confess หรือ confession ก็คือการยอมรับว่าเราเป็นคนบาปแต่ถ้ากว่าไม่มีการรวมถึงการกลับใจใหม่นะครับไม่มีการรวมการ repent ซึ่งพระเยซูได้สอนพวกยิวเสมอบอกว่าพระองค์ประกาศว่าจงกลับใจเสียใหม่จงกลับใจเสียใหม่นี่คือการร repent ท่าทีของการกลับใจใหม่ท่าทีของการรู้สึกว่าบาปที่เราเคยทําอยู่นั้นมันไม่ถูกต้องและเกลียดชังความบาปไม่อยากที่จะทําบาปต่อไปนั่นแหละครับคือท่าทีของการกลับใจใหม่ด้วยเหตุ น, นี้เองนะครับในเทศกาลเลนผมจะบอกว่าพระเจ้าของเราเปี่ยมด้วยพระเมตตาพระองค์ทรงปรารถนาจิตใจที่ถ่อมลง และสำรวจตัวเองและทรงมีพระกุณาต่อเรามากมายทีเดียวพระคัมภีร์ที่อยากจะเป็นคำอนิษฐานให้กับพี่น้องในเช้าวันนี้คือในสดุดีบทที่หนิในมัทธิวบทที่3ข้อสองตามจอนะครับพระเยซูบอกว่า r e p พ n t ์การกลับใจใหม่เพราะว่าแผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้วตั้งแต่นั้นมาพระเยซูก็ตั้งต้นสอนเรื่องการกลับใจใหม่เพราะฉะนั้นสดุดีบทที่139ข้อ23นะครับจะเป็นคาอนิษฐาน ของเราทั้งหลายในเช้าวันนี้ข้าแต่พระเจ้าขอทรงค้นดูข้าพระองค์และทรงทราบจิตใจของข้าพระองค์ขอทรงลองข้าพระองค์และทรงทราบความคิดของข้าพระองค์และทอดพระเนตรว่ามีทางชั่วใดๆในข้าพระองค์หรือไม่และขอทรงนําข้าพระองค์ไปในมันคานิรันขอพระเจ้าทอดพระเนตรในเทศกาลเล่นเทศกาลเข้าสู่ธรรมนี้ว่ามีทางชั่วใดๆในข้าพระองค์หรือไม่ พี่น้องครับความสําคัญความร้ายแรงของความบาปนั้นหลายหลท่านมองท่ามไปชีวิตที่บริสุทธิ์เป็นชีวิตที่พระเจ้าต้องการอย่ถ้าเราถามว่าพระเจ้าต้องการอะไรมากที่สุดในชีวิตของเราคําตอบชัดเจนครับพระเจ้าต้องการให้เราถวายเกียรติกับพระองค์และชีวิตของเราจะถวายเกียรติข้าพระเจ้าได้หรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าเราบริสุทธิ์ต่อบเบื้องพระภาคของพระองค์มากน้อยแค่ไหนคริสเตียน เมื่อเราได้รับการเตือนสติจากพระเจ้าสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราก็คือความรู้สึกผิดความรู้สึกผิดนั้นเกิดขึ้นจากใจสำนึกผิดชอบชั่วดีเรียกว่าจิตสำนึกหรือเรียกว่ามโนธรรมที่อยู่ในชีวิตของเราหลายๆคนนะครับพระเจ้าพระวิญ ญ, ญาณนั้นตรัสผ่านหลายๆเรื่องหลายราวในชีวิตของเขาตรัสผ่านพระจนะของพระเจ้าหลายๆตอนพระจนะของพระเจ้านั้น ก็ทําให้จิต ใ, ใจของเขานั้นได้ยอมรับเมื่อจิตใจงเขานั้นเปิดออกและถ่อมลงสิ่งที่สําค right? ัญสําหรับบางคนก็คือว่าจิตใจของเขานั้นไม่ได้เปิดออกเมื่อจิตใจก็ไม่ได้เปิดออกนั้นพระวิญญาณไม่สามารถที่จะทําอะไรได้สิ่งนั er yeah? no ้นก็คือเราจะต้องทูลขอครับทูลขอการที่พระเจ้าจะเปิดชีวิตของเราออกเปิดจิตใจของเราออกเพื่อที่เราจะได้เห็นบางสิ่งบางอย่างในชีวิตของเราที่เป็นอุปสรรค ในการเติบโตกับพระเจ้าที่มุ่สมั่นในการที่เราจะมีชีวิตที่บริสุทธิ์ต่อบเบื้องพระพักของพระองค์พี่น้องครับเราจะจัดการกับความรู้สึกผิดเมื่อพระเจ้าตรัสพระเจ้าเปิดเผยพระเจ้าสำแดงในชีวิตของเราอย่างไรเราเห็นนะครับพระเยซูคริสต์นั้นแม้ว่าบาปที่ร้ายแรงที่สุดนั้นก็จะถูกลบล้างออกไปได้เพระเาะฉะนั้นของพระเจ้าหนึ่งโครินธ์บทที่หข้อที่เถึงข้อ11ได้บอกว่าท่านไม่รู้หรือว่า คนธรรมนั้นจะไม่มีส่วนในแผ่นดินของพระเจ้าคนธรรมจะไม่มีส่วนในแผ่นดินของพระเจ้านี่คือความเข้มงวดของคำสอนเรื่องความบริสุทธิ์อย่าหลงเลยคนล่วงประเวณีคนถือรูปเคารพคนผิดผัวเมียเขาโสเพณีชายชายรักร่วมเพศคนขโมยคนโลภคนขี้เมาคนปากร้ายคนชอโกงจะไม่ได้รับส่วนในแผ่นดินของพระเจ้า หลายครั้งทีเดียวสิทธิพิบาลหรือผู้เทศนานั้นก็ไม่ค่อยจะไปลงรายละเอียดนะครับว่าคนล่วงประเวณีนเป็นยังไงเพราะทุกคนก็ทราบดีอยู่แล้วคนถือลูกเขารบเป็นยังไงคนผิดผัวผิดเมียเป็นยังไงโสเภณีชายเป็นยังไงชายลักล่วงเพศเป็นยังไงคนขโมยคนโลภคนที่เมาคนปากร้ายคนช่อโกงเป็นยังไงเพราะว่าคนเหล่านี้นะครับหรือพวกเราอาจจะ เป็นหนึ่งในนั้นที่มีพฤติกรรมอย่างนี้พี่น้องครับพระวจนะของพระเจ้านั้นเข้มงวดมากพระเจ้าบอกว่าคนเหล่านี้จะไม่ได้รับส่วนในแผ่นดินของพระเจ้าเพระเาะฉะนั้นจงกลับใจใหม่และสารภาพบาปครับพระคมภีร์ต่อไปได้กล่าวว่าแต่ก่อนมีบางคนในพวกท่านเป็นคนอย่างนั้นแต่ท่านได้รับการชำระแล้ว ได้รับการทําให้บริสุทธิ์แล้วได้รับการทําให้พระพิฆเธรรมในพระนามของพระเยซูเจ้าและพระวิญญาณแห่งพระเจ้าของเรานั่นครับคือคนที่กลับใจใหม่และสารภาพบาปผมอยากจะให้ความมั่นใจจากพระญาติของพระเจ้านะครับว่าไม่มีบาปไหนที่พระเจ้ายกโทษให้ไม่ได้เมื่อเราสารภาพบาปและกลับใจใหม่นั่นคือสิ่งที่สําคัญเป็นหัวใจของเทศกาลเล้นหรืออารเข้าสู่ธรรมนี่เอง ที่เราจะถอยกลับมาและเราจะพิจารณาตัวเองว่าสิ่งต่างๆที่อยู่ในชีวิตของเราเนี่ยนะครับท่าทีเป็นยังไงบ้างสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราพูดสิ่งที่เราทำมีท่าทีเป็นยังไงเป็นประโยชน์ต่อตอนเองหรือเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองหรือเพื่อผลประโยชน์ขององค์พระวิญญาณและแผ่นดินของพระองค์พี่น้องครับความรอดนั้นได้มาโดยพระคุณและพระคุณเกิดจากการที่ทรงโปรดให้อภัย สิ่งต่างๆที่เป็นความบาปที่เราทําหลังจากที่คนรอดแล้วบางคนอาจจะมีพฤติกรรมการกระทําบาปแต่ว่าไม่ต่อเนื่องนะครับอันนี้เป็นตัวบ่งชี้ที่สําคัญมากสําหรับคนที่รอดแล้วการที่คนคนนั้นได้รอดแล้วเขาจะไม่ทําบาปอย่างต่อเนื่องหรือจะไม่เป็นคนที่เราปกติทําบาปทําบาปเป็นอา จ, จินทําบาปเป็นนิสัยนั่นแะครับคือสิ่งที่ผมอยากจะบอกว่าพึ่งพีพูดชัดครับว่า เมื่อคนที่ได้รับการอภัยโทษจากพระเจ้าแล้วเขาจะไม่เป็นแบบแบบนั้นอีกนั่นคือคนที่บังเกิดใหม่ในพระธรรมยอห์นบทที่สองข้อที่หนึ่งบอกว่าลูกของข้าพเจ้าเอ๋ยท่านอาจารย์ยอห์นเขียนถึงบรรดาผู้ที่เชื่อบอกว่าลูกของข้าพเจ้าเอ๋ยข้าพเจ้าเขียนข้อความเหล่านี้ถึงท่านทั้งหลายเพื่อท่านจะได้ไม่ทําบาปแต่ถ้าผู้ใดทําบาปเห็นไหมครับถ้าผู้ใดทําบาปหมายความว่าคนบางคนยังทําบาปอยู่เราก็มีพระองค์ผู้ทรงทูลขอพระบิดาเพื่อเรา คือพระเยซูผู้ทรงเที่ยงธรรมนั้นพี่น้องครับเรามีองค์พระเยซูที่เจ้าที่ทูลขอพระบิดาเพื่อการอภัยโทษบาปของเราอยู่เมื่อเราอธิษฐานในพระนามของพระเยซูสารภาพบาปและกลับใจใหม่บาปของเราจะได้รับการยกอย่างแน่นอนนะครับเมื่อบาปของเราได้รับการยกอย่างแน่นอนเราก็มีเสรีภาพได้รับการอภัยโทษบาปและพ้นจากความผิดความบาปแต่พี่น้องครับ ไม่ได้หมายความว่าเราจะเป็นอิสระจากความรู้สึกผิดบางคนก็ยังยึดติดอยู่กับความรู้สึกผิดนั้นอยู่แม้ว่าบาปของเขาได้รับการอภัยแล้วเราก็คงจดจาบาปไอสิ่งหนั้นอะไรได้หรืออารมณ์ความรู้สึกที่มันผูกมัดชีวิตของเราได้และนอกจากอารมณ์ความรู้สึกที่ผูกมัดชีวิตของเรานั้นมันยังมีศัตรูฝ่ฝายวิญ ญ, ญาณมารซาตานที่คอยกล่าวโทษเรากล่าวโทษเรามันคือผู้ที่ เตือนเรื่องความผิดของเราเสมอคอยอยุแย่ความผิดของเราเสมอให้เราเห็นถึงความบกพร่องของตัวเองความบากของตัวเองความเลวของตัวเองนั่นแหละครับคือมันมากระตุ้นไอ้ความรู้สึกผิดเกิดขึ้นมาแม้ว่าเราจะได้รับการยกโทษบาปแล้วนี่คือสิ่งต้องระวังครับพี่น้องครับมีคำที่มีมีข้อแนะนำนะครับที่อยากจะให้พวกเราได้มีโอกาสเรียนรู้ จากความรู้สึกผิดเพื่อที่ความรู้สึกผิดนี้มันเกิดขึ้นมืไรนะครับเราจะได้รับการอภัยโทษจากพระเจ้าเมื่อเราอธิษฐานทูลขอและสารภาพบาปกลับใจใหม่ประการแรกครับเมื่อเราเจอกับการทรงเตือนสติของพระวิญญาณสิ่งแรกก็คือเราต้องรีบสารภาพบาปสารภาพบาปทั้งสิ้นที่รู้และที่ไม่รู้มีคนถามเขาบอกว่าอาจารย์แล้วบาปที่ไม่รู้เนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงนะครับ บาปที่ไม่รู้เนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยเมื่อเรารับการทรงนำจากพระเจ้าท่มใจพิจารณาตัวเองแล้วยอมรับว่ามาตรฐานของเราที่เราเคยทําเราเคยคิดเนี่ยมันไม่ถึงมาตรฐานของพระเจ้ามันไม่ถึงสิ่งที่พระเจ้าต้องการและเมื่อเรายิ่งอ่านพระวจนะของพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ก็จะเปิดเผยสำแดงให้รู้ว่าบาปที่เราไม่รู้ว่าเนี่ยคือบาปเราก็จะเริ่มรู้เพราะฉะนั้นทุกวันนะครับบาปที่เราไม่รู้จะลดน้อยลงลดน้อยลงลดน้อยลง บาปที่เรารู้ตัวมันก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆและเราต้องสารภาพบาปและกลับใจใหม่ครับในบางกรณีนะครับความรู้สึกผิดที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันถูกต้องแล้วเพราะอะไรครับเพราะว่าพราะวิญญาณเตือนเรานะครับและเมื่อเรามีความรู้สึกผิด น, นั้นเกิดขึ้นสิ่งที่สําคัญก็คือว่าเราต้องรีบสารภาพบาปเฉลี่ยบทที่32ข้อ3ถึงข้อหได้กล่าวว่าเมื่อข้าพรองค์ไม่แจ้งบาปของข้าพรองค์ ร่างกายของข้าพระองค์ก็ร่วงโรยไปโดยการค้ำควนวันยังค้ำของข้ like าพระองค์พระหัตของพระองค์หนักอยู่บนข้าพระองค์ทั้งวันทั้งคืนกำลังของข้าพระองค์ก็เหี่ยวแห้งไปอย่างความร้อนในหน้าแล้งข้าพระองค์สารภาพบาปของข้าพระองค์ต่อพระองค์และข้าพระองค์ไม่ได้ซ่อนบาปผิดของข้าพระองค์ไว้ข้าพระองค์ทูลว่าข้าพระองค์จะสารภาพการละเมิดของข้าพระองค์ต่อพระเจ้าแล้วพระองค์จะทรงยกบาปของข้าพระองค์ นั่นคือสิ่งที่ผู้เขียนพระธรรมสุ ด, ดีบอกว่าถ้ามีบางสิ่งบางอย่างที่เป็นความบาปซ่อนอยู่ในชีวิตของเราชีวิตของเรานั้นก็จะร่วงโรยไม่เติบโตการค้ำครวนก็ไปไม่ถึงและมันมีความรู้สึกหนักอยู่ในชีวิตของเรากำลังของเราก็เหี่ยวแห้งไปเหมือนกับความร้อนนะครับในหน้าแรงแต่ในทางกลับกันครับเมื่อเราสารภาพบาปของเรา เมื่อเราไม่ได้ซ่อนบาปผิดของเราไว้พระเจ้าก็จะยกโทษให้อภัยบาปของเรานั่นคือพระเจนะของพระเจ้าที่ทำให้เรานั้นมั่นใจว่าเมื่อเราสารภาพบาปของเราพี่น้องครับสิ่งต่างที่เป็นภาระหนักเป็นความขมขื่นเป็นปมที่อยู่ในชีวิตของเรานั้นจะถูกเอาออกไปพระเจ้าจะหยิบยกและพระเจ้าจะให้อภัยเมื่อเรารู้สึกผิดนะครับเมื่อเรารู้ตัวว่าเราทาบาป พี่น้องครับสารภาพและกลับใจประการที่สองครับประการที่สองก็คือเมื่อเรารู้สึกผิดเราต้องขอพระเจ้าเปิดเผยให้เราเห็นบาปอื่นๆที่จำเป็นต้องสารภาพเพราะในวาระแห่งการเข้าสู่ธรรมสิ่งที่สำคัญก็คือว่าเราไม่รู้ว่ามีบาปอะไรที่พระเจ้าจะให้เรากลับใจใหม่สิ่งนี้นะครับเป็นสิ่งที่ เราต้องอธิษฐานทูลขอให้พระเจ้าเปิดเผยแล้วผมบอกครับว่าเมื่อเราอธิษฐานทูลขอให้พระเจ้าเปิดเผยบาปเนี่ยนะครับพระเจ้าตอบคําอธิษฐานร้อเอร์ซพี่น้องครับเราจะมีประสบการณ์กับพระเจ้าในการที่อธิษฐานทูลขอให้พระเจ้าเปิดเผยว่าเราทำผิดอะไรหรือพระเจ้าจะเปิดเผยร้อยเซ็ิีบทที่หนึยบเกข้อยี่สิบสามยบบอกว่าข้าแต่พระเจ้าขอทรงค้นดูข้าพระองค์ และทราบจิตใจของข้าพระองค์ขอทรงลองข้าพระองค์และทรงทราบความคิดของข้าพระองค์และทอดพระเนตรว่ามีทางชั่วใดๆในข้าพระองค์หรือไม่ขอทรงนำข้าพระองค์เข้าไปในมันคานิล น, นั่นคือสิ่งที่พระกรัรมภีได้สอนพวกเราในการที่เราจะขอพระเจ้าให้เรารู้ว่าความคิดของเรานะครับมีทางชั่วใดๆซ่อนอยู่หรือไม่ แลายครั้งพี่น้องครับโลกนั้นมีอิทธิพลต่อความคิดของเราและทําให้เรารู้สึกว่าความคิดแบบนี้เป็นความคิดที่คนอื่นๆก็ทํากันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะถูกหรือไม่ถูกสังคมก็ยอมรับอยู่แล้วเห็นนี่เองทําให้ทฤษฎียนั้นประนีประนอมกับความผิดบาปในแต่ละวันแต่ละวันจนท่างไม่รู้ตัวแต่เมื่อเรามาถึงเทศกาลเข้าสู่ธรรมสิ่งที่สําคัญก็คือว่าต้องขอพระเจ้าให้เปิดเผยเปิดเผยว่าอะไรคือความบาป สิ่งที่เราไม่เคยรู้มาก่อนพฤติกรรมที่เราทำมาก่อนซึ่งเราไม่เคยรู้ว่ามันเป็นความบาปนะพระเจ้าจะเปิดเผยพี่น้องครับพระเจ้าจะเปิดเผยด้วยสามช่องทางต่อไปนี้หนึ่งก็คือพระวจนะของพระเจ้าเราจะต้องใช้พระวจนะของพระเจ้านั้นเป็นมาตรฐานในการชำระชีวิตของเราประการที่สองก็คือคนของพระเจ้าคนของพระเจ้านั้นจะบอกเราในสิ่งที่มันถู ก, ถกและมันสิ่งที่มันผิด ประการที่สก็คือเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราและมีผลกระทบในชีวิตของเราเราต้องจับสิ่งเหล่านั้นมาเพื่อที่จะได้รู้ว่าเราทำผิดบาปหรือไม่ผมอยากจะแบ่งปันคำพยานนิดหนึ่งนะครับทุกครั้งที่ผมป่วยพระเจ้าได้ใช้ความเจ็บไข้ได้ป่วยมาทำให้เราหรือผมเนี่ยนะครับจะต้องสำรวจตัวเองอีกครั้งหนึ่งว่ามีความผิดบาปอะไรหรือเปล่า หลายครั้งที่ฟังพระจนะของพระเจ้าเนื่องจากเราเป็นคนสอนใช่ไหมครับเราก็รู้สึกว่าเออเราก็พอจะทำได้อยู่นะในสิ่งที่เราสอนหลายคนก็บอกว่าอาจารย์ถ้าหากว่าคนธรรมดาทั่วไปเนี่ยที่เขาไม่รู้ พ, พระวจนะของพระเจ้าเขาจะรู้ได้ไงว่าเขาทำบาปคำตอบก็คือง่ายๆครับก็มาเรียนพระวจนะพระเจ้าสิครับแล้วเราจะได้รู้ว่าเราทำบาปมากน้อยขนาดไหน เวลาที่เรามีปัญหาให้เราปรึกษาคนของพระเจ้าและคนของพระเจ้านั้นก็จะบอกว่าสิ่งต่างในชีวิตของเราตรงจุดไหนบ้างที่มันถูกหรือมันผิดและที่สำคัญก็คือว่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานั้นเราจะต้องนำมาในทุกๆเหตุการณ์เราก็จะพบว่าสิ่งนั้นพระเจ้ากำลังบอกกับเราว่ามันถูกหรือมันผิดในสุริบทที่หนึ่ง้สนะครับขอพระเจ้าคนดูครับประการที่สามครับ เมื่อเรารับการทรงเตือนจากพระวิญญาณบริสุทธิ์จากพระเจ้าของพระเจ้าจากคนของพระเจ้าจากเหตุการณ์ต่างๆที่เกิด ข, ขึ้นในชีวิตเราจะต้องวางใจเชื่อและวางใจในสัญญาของพระเจ้าในพระสัญญาของพระเจ้าครับหนึ่งยอห์นบทที่หนึ่งข้อ9ขอพี่น้องอ่านพร้อมกันดีไหมครับเป็นข้อที่เด็กละวีทุกคนท่องได้นะครับหนึ่งยอห์นบทที่หนึ่งข้อที่9เชิญอ่านครับถ้าเราสรารภาพบาปของเราสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมก็จะทรงโปรดยกบาปของเรา และจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นของพระเจ้าอีกหลายตอนะครับพระเจ้าได้ทรงยกความผิดบาปของประชากรของพระองค์เสียพระองค์ได้ทรงกบเกินบาปทั้งสิ้นของเขานะครับสุดติปทที่86กข้อหาข้าแต่องค์พระบูญเจ้าพระองค์ประเสริฐและทรงพร้อมที่จะประทานอภัยอุดมด้วยความรักมั่นคงต่อบรรดาผู้ที่ร้องทุนพระองค์โรบบที่แข้อที่หนบอกว่าเหตุฉะนั้นการลงโทษจึงไม่มีแก่คนทั้งหลายที่อยู่ในพระเยซูคริส พี่งครับเวลาที่เราประสบกับหลายสิ่งหลายอย่างที่พระเจ้าตีสอนเรานะครับบอกว่าขอบอกว่าให้พระเจ้าตีสอนเราอย่าบอกว่าพระเจ้าลงโทษนะครับถ้าพระเจ้าลงโทษนี้เรารับโทษไม่ไหวเพราะโทษของความบาปและค่าจ้างของบาปคือความตายครับและด้วยเหตุ น, นี้นี่เองเนี่ยเมื่อเรารับการเตือนจากพระเจ้าไม่ว่าเราจะเป็นโรภคภัยไข้เจ็บก็ดีไม่ว่าเราจะรับการเตือนสอนจากพระเจ้าก็ดีพระเจ้าเตือนสติเราเพื่อที่จะให้อภัยบาป เพื่อที่ให้เราสารภาพและกลับใจใหม่ประการต่อไปครับเราจะต้องละทิ้งความรู้สึกผิดเหล่านั้นออกไปและอย่าให้ความรู้สึกผิดเหล่านั้นมันกลับมาหลอกหลอนเราอีกพระบพีาบอกว่าอะไรครับบอกว่าโสดีบทที่103ข้อที่8และข้อที่ถึงข้อที่12ได้กล่าวว่าพระเจ้าทรงพระกรุณาและมีพระคุณทรงกริ้วช้าและอุดมด้วยความรักมัน่นคงพระเจ้าจะไม่ทรงปรักปรำเสมอ พี่น้องครับพระเจ้าไม่ได้เคยปรักปราว่าคุณทําผิดอ ย, อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้หลังจากที่พระเจ้ายกโทษให้ภัยแล้วพระเจ้าจะไม่ปรักปําอีกหรือทรงตริวอยู่เป็นนิดพระเจ้าจะไมไ่ทรงกระทําต่อเราตามเรื่องบาปของเราหรือทรงสนองตามบาปผิดของเราต่อไปครับเพราะว่าฟ้าสวรรค์สูงเหนือแผ่นดินเท่าไหรความรักมั่นคงของพระองค์ที่มีต่อบรรดาคนที่เกรงกลัวพระองค์ก็ใหญ่ ย, ยิ่งเท่านั้น ตนออกไกลจากตะวันตกเท่าใดพระองค์ก็ทรงปลดการละเมิดของเราจากเราไปไกลเท่านั้นในเทศกาลเข้าสู่ธรรมนี้พี่น้องครับเมื่อเราเกิดความรู้สึกผิดขอให้เราสารภาพและกลับใจและทิ้งความรู้สึกผิดเหล่านั้นออกไปเพราะว่าพระเจ้าได้ทรงยกโทษเราแล้วพระเจ้าได้ทรงอภัยโทษเราแล้วพี่น้องครับตะวันออกไกลจากตะวันตกเท่าใดพระองค์ทรงปลดการละเมิดของเราจากเราไปไกลเท่านั้นแล้วอย่าให้เราจมอยู่กับความรู้สึกผิด แล้วมารซาตานมันก็เอาความรู้สึกผิดเนี่ยนะครับมาคอยหลอกเราเรามาคอยทิ่มแทงเรามาคอยเกลี่ยให้แผลที่มันหายแล้วเนี่ยมันทะลุออกมาอีกต่อไปครับสุดท้ายนะครับเมื่อเราได้รับการเตือนจากพระวิญ ญ, ญาณจากพระวจนะของพระเจ้าเราเกิดความรู้สึกผิดแล้วขอให้เราทูลขอพระเจ้าและเราประนามซาตานครับเราจะต้องเรียกความสุข กลับคืนมาพร้อมกับความรู้สึกที่พ้นจากความผิดนี้พิรันครับสดีบทที่ห้บอข้อสิบสองครับขอทรงคืนความชื่นบานในความรอดแก่ข้าพระองค์และชูข้าพระองค์ไว้ด้วยเต็มพระทยัยพระเจ้าจะคืนความชื่นบานเมื่อเรารู้ว่าความบาปของเรานั้นได้รับการอภัยโทษแล้วอย่าให้มันซึ่งเป็นทู่กล่าวโทษมันมาฟ้องเราอีกต่อไปให้เราตัดจากความรู้สึกนั้นให้เราทูลขอพระเจ้าให้เรียกความรู้สึกที่มีความสุข ก, กลับคืนมา พร้อมกับความรู้สึกพ้นจากความผิดในสุริยบที่32นะครับเราจะพบว่าแม้ดาวิดได้กระทำผิดอย่างร้ายแรงท่านก็ได้พบอิสรภาพจากความบาปและความรู้สึกผิดพระเจ้าจัดการกับสาเหตุของความผิดและความจริงเกี่ยวกับเรื่องของการให้อภัยเฉดุดีบทที่51ถ้าพี่น้องมีเวลากลับไปอ่านนะครับคืนนี้5 1นะครับได้กล่าวถึงการสารภาพบาปของกษัตริย์ดาวิด ที่ได้ทรงร้องทูลขอต่อพระเจ้าด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความรู้สึกผิดและสารภาพกับใจใหม่ผลก็คือมีการฟื้นกลับมาสู่ความชื่นชมินดีนะครับหากบาปได้รับการอภัยและเมื่อเราสารภาพและมีท่าทีแห่งการกลับใจใหม่มันก็เป็นเวลาที่เราจะเริ่มต้นก้าวเดินต่อไปด้วยกันกับพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งโรมอขอโทษโ ค, ครับสองโครินท์บทที่5ข้อสครับองโคริน์บทที่5ข้อได้กล่าวว่า เหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งสรารพัดเก่าๆก็ล่วงไปและนีน่กลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งสิ้นพี่น้องครับส่วนหนึ่งของสิ่งเก่าๆที่ได้ล่วงไปก็คือนอกจากความรู้สึกผิดนะครับความทรงจำในเรื่องบาปในอดีตและความผิดที่พวกเราเคยทำมันจะถูกยกออกไปหมดครับเป็นคนที่ถูกสร้างใหม่ น่าเสียดายครับที่คริสเตียนบางคนนั้นมีแนวโน้มที่จะหมกมุ่นอยู่กับความทรงจําในอดีตกลายเป็นความขมขื่นความทรงจําของชีวิตที่ควรจะตายไปแล้วและควรจะถูกฝังไปตั้งนานแล้วนะครับมันยังหวนกลับมาหลอกหลอนชีวิตของคริสเตียนและมันก็วิ่งสวนทางกับการเติบโตของพวกเราฝ่ายจิตวิญญาณพี่น้องครับเราทุกคนได้พบตัวว่าถ้าเราสารภาพบาปต่อพระเจ้านะครับแล้วซ้ําเรื่องบาปนั้นบาปนั้นบาปนั้นนะครับแสดงว่าอะไรครับ เราอาจจะไม่มีท่าทีที่กลับใจใหม่จริงๆเพราะอะไรครับเพราะว่าการกลับใจใหม่ครับพี่น้องครับคือการเศร้าโศกเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อบาปและมีความมุ่งมั่นที่จะทิ้งและกลับมาอยู่ในทางของพระเจ้าด้วยการเชื่อฟังพี่น้องครับโปรดฟังอีกคั้งครับการกลับใจใหม่นั้นคือความเสียใจเศร้าโศกอย่างสุดซึ้งต่อความบาปและมีความมุ่งมั่นอย่างจริงใจที่จะทอดทิ้ง ความบาปนั้นเสียและเดินด้วยการเชื่อฟังกับพระเยซูอีกครั้งหนึ่งนั่นคือการเปลี่ยนทิศทางและตั้งใจอีกครั้งหนึ่งครับไม่ใช่แค่ความรู้สึกสำนึกผิดหรือรู้ตัวว่าผิดแต่เป็นการเปลี่ยนทิศทางเป็นการยอมรับว่าบาปนั้นมันเลวร้ายบาปนั้นมันต่อต้านพระเจ้าผู้ทรงนิถนุภาพและเป็นความผิดพลาดอย่างสิ้นเชิงพี่น้องครับ สรุปในวันนี้การกลับใจนั้นเป็นสิ่ ง, งที่สําคัญสำหรับผู้ที่เชื่อพระเจ้าการสารภาพบาปจะทำให้บาปถูกยกแต่ผลสืบเนื่องของบาปยังคงอยู่และมันส่งผลกระทบถึงพงพันของเราและสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเราการสารภาพบาปเพียงอย่างเดียวไม่พอต้องมีการกลับใจใหม่ เพราะฉะนั้นการกลับใจใหม่จึงเป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญของการสารภาพเราถูกเรียกให้มีชีวิตที่บริสุทธิ์ซึ่งเป็นสิ่งที่จะต้องแยกจากความบาปและอยู่ในพระประสงค์ของพระเจ้าในการสารภาพบาปและการกลับใจใหม่ถือว่าเป็นกระบวนการที่สําคัญในชีวิตของคริสเตียนของเรานับแต่บัดนี้เป็นต้นไปอาเมน